คาถารวมวินีตวัตถุเรื่องที่ทรงมินิจฉัยแล้วเรื่องพันาคุณความตายหนึ่งเรื่องเรื่องสาวกหนึ่งเรื่องเรื่องพระครัวตาสามเรื่องเรื่องยาพิษสองเรื่องเรื่องอิดสามเรื่องเรื่องไม้กรอนสามเรื่องเรื่องให้ลงจากหลังคาสามเรื่องเรื่องอบตัวสามเรื่องเรื่องนวดสามเรื่องเรื่องให้ทาน้ํามันสามเรื่องเรื่องทําให้ล้มสามเรื่อง เรื่องให้ตายด้วยน้ำฉันสามเรื่องเรื่องยิงร่วมสามีสองเรื่องเรื่องค่ามารดาและบุตรทั้งสองคนตายหนึ่งเรื่องเรื่องค่ามารัรดาและบุตรทั้งสองคนไม่ตายหนึ่งเรื่องเรื่องให้รีดหนึ่งเรื่องเรื่องยิงไม่เป็นหมันหนึ่งเรื่องเรื่องทับหนึ่งเรื่องเรื่องส่งไปสู่ที่มีสัตว์ร้ายและยักษ์ดุ9ก้าเรื่องเรื่องประหารสามเรื่อง เรื่องพนานรคสามเรื่องเรื่องเผาป่าสามเรื่องเรื่องไม่ทำตามท่านหนึ่งเรื่องเรื่องให้ดื่มยาโลนะโสวีรกะหนึ่งเรื่องเรื่องนั่งหนึ่งเรื่องเรื่องไม้สำหรับทำครกหนึ่งเรื่องเรื่องเนื้อติดคอสามเรื่องเรื่องเตรียมพื้นที่สร้างวิหารสามเรื่องเรื่องมีดสามเรื่องเรื่องนั่งร้านสามเรื่องเรื่องกระโดดหน้าผาสองเรื่อง เรื่องนัดยาสามเรื่องเรื่องให้อาบน้ำสามเรื่องเรื่องให้ลุกขึ้นสามเรื่องเรื่องให้ตายด้วยข้าวสามเรื่องเรื่องหญิงมีคันกับชายชูหนึ่งเรื่องเรื่องนาบคันใหร้อนหนึ่งเรื่องเรื่องหญิงหมันหนึ่งเรื่องเรื่องจี้หนึ่งเรื่องเรื่องค่ายักษ์หนึ่งเรื่องเรื่องสำคัญว่าใช่สี่เรื่องเรื่องพันนาสวรรค์สามเรื่องเรื่องต้นไม้ที่เมืองอาลวีสามเรื่อง เรื่องไม่ให้ลำบากหนึ่งเรื่องเรื่องให้ดื่มเปรียงหนึ่งเรื่อง